บ ป, ประโยคาวจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารถเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานุสติกรมฐาน และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอาหารหันต์กันมามากแล้วเ็วขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม จงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดยงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โนนวิ่งไปหาที่นี่เอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การแั่งพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าแพางพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถ้าว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทาสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เฮติมาอย่างเดียวก็คือขาดความเอาจริงเอาจังจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีทิมบาสีฟังแล้วก็วางไว้ ก็มีหันสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ดังนั้นได้ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คำว่าอาภัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเส้นใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระประฐานถึงขั้นอารหัตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวฉังนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิตไปวา่าอัตนาโจทยัส ต, ตานังจงเตือนตนด้วยตนเองกล่ า, าโทษโจยความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง ก็เราโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดเ้วก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อน ถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าเขาก็คนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์จากที่ไหนผลที่สุดเราก็มายกโทษให้กับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากําลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากได้ใช้เวลาไม่นานกําลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่กองไม้ศรีมาโพระเคราวนั้นองค์สมเด็จพระพรุทธกาลทรงตั้งอาฏฐานจิต ว่าเลือดจะเนื้อเขาเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามที่ชีวิตตินซีเขาเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สมเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัไทยพราองค์สมเด็จพระจนาสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นาาอาภัพพระบุคคลสำหรับอนนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยากความลาบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้ น, ตนแต่ด้ว่าความยากความละบากของผมดูมนว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระหันภายในสามวันนับแต่บวช แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วถ้อยคำใดๆที่เป็นคำสอนคำสอนขอให้ถือว่าเป็นคำสอนที่มาจากองค์สมเด็จตั ส, มมสัมมาสัพพุติเจ้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจ้า ความเป็นพระเรียเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปับรู้จักรีนชื่อก็รู้ว่าเป็นพระเรียเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อวความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทั้งด้านอนาปานนสติกรรมฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมกาลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบร ม, มโละเชชทแนะนำให้เราใช้อนาปานสติกรรมานก็เพื่อเป็นการป้องกันแะยับยัง้งหรือว่าประหัดประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือ ว, ว, ว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนั้นๆกคำว่าฐานกองนั้นๆจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทําอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอากันจริงกันจัง อย่าสักแตว่าทำความกลุ่มไม่ไเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ใหม่เขาจะควบคุมกําลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดป่วนเปลี่ยนเรียกว่าน่ารีษะน่าขไรอ ย, อย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจเพราะเราจะไม่ดีถ้าบางเอื่น เราทำกาหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอ น, นุพุท ธ, ธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พรานแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอนอนี่ใจเราออกโนหลอกมนาไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมธานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมธานควบคู่กันป๊เดียวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี่อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติําว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขัดจะเพาะภาวนาเท่านั้น การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจรึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมหายใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านงหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ อการของอารมณนาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปพมขงคอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานเดลนาทพุทธานุสติกรรมัฐานหรือว่าอานาปานุสติกรรมัฐานในตอนนี้ผมย้พูดจาเพราะอารมณ์กอ็อนาปานุสติกรรมัฐานแต่จะว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ฝากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อานาปานุสติกรรมฐานอานาปานุสติกรรมฐานจะทําให้ท่านสบายใจมีความสุข ย้งอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคําถามเข้ามาว่าถ้าจะทํางานถ้ากําหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขา อ, ออกงานมิเสียเลย ผมก็ถอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปานุสติกรมธานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสมัญญะขานาดที่เราจะคิดงานก็วางอนาปานุสติกรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอาณาปานุสติกรรมาทัน <c oughs> เพราะว่าขณะที่จับอาณาป่าอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วิจาระสมาธิ <c oughs> ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านอยากทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่จเจริญไปขอท่านนันหลายตั้งเวลากําลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้า ใ, ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตด้วยว่าตั้งแต่ห น, นึ่งถึงสิบนี้จะให้ไม่ยอมให้จิตของเราแลกไปสัวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีและหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิบในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจเขา อ, องสมเด็จไปจอมไตรามาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระปรมาครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้ขอของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเตียนสีจะตายก็ตามถ้าเราไม่สมําเร็จพระสัมมาสมัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพลาด น, นิดเริ่มตั้งต้นใหม่รักษาลมใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายัางท่านยังทําแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปสําหรับผ้ากาสาวาพัทหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษาโรมณ์ังสิทก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเร็วเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุห้างบ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจ็ดวันนิมนนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วเบืองที่สองร้อยสามร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในรมต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยายามบาปมันก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายังไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุสลทรงสติสมัมปจญญะด้วยนาปานุสติกรมฐานแล้วอะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่านหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกาลังสอนใ่อย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่ น, สนแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจิงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปหรือ้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทมที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคยความขยันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งเ่านไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทานี่มันเป็นอามิตสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิงง่งเจ้าแหลงวัลมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นจาคานุสติกรรมทาทันเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธทางชีวิตต่างยาวนิพพานานังเรียกว่าการถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าอนิพพานเป็นอย่างนี้ ที่พูดอย่างนี้จะถีว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนก็ดูน้ำใจของเขาว่าก็ททำงานเนี่ยก็ทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไหร่ให้ราวัลเท่าไหร่เขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชา ค, คือเป็นปฏิบัติบูชาตัวในพระพุทธเจา้าพระธรรมในทรัพย์สิงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐานเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำ สาหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผักเวียนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงทำมังชีวิตต่างสังฆ์งชีวิตต่างจริงเหมือนกันด้วยยอมเพีความสุขส่วนตัวเอามารักษารัพิงของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเคสของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความก ต, ออตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองใช้อกาสใช้สมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอนววาสํำหรับวันนี้ก็ข อ, ขอแนะนำท่นานไม่วนที่จะใชอ้อน า, นาปานุสติกรมมฐานกับพุทธานุสติกรมมฐานควบคู่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะนาปานุสติกรรมาฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวถือว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมาขนท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเราสองมือสิบนิ้วมือรห้านิ้วมีอาการสามสิบสองเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนอยะนนอนจับลมหายใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับวิธีการลมหายใจเขาออกเตินขึ้นมาใหม่ๆ จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาามยดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่ฝุๆโผๆเนะเป็นอันว่ารู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นน่าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะบำมหมายกัเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สิกไวมันก็หมดเรื่องเถ้ า, าถงไหวกัเหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปสิก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากําลังใจเท่านี้ยังถือว่าลําบาก มันก็ควรแล้วที่จะต้องเป็นลกโครงทำงานให้มันสบายตามอธัธยาศัยของตนมีการพูดหย่างนี้จะทิวาดาใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนะมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นบัติก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทำมันไปจงกว่าจะบินบตาจะกลับแค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆอย่าไปหาเวลาที่ไหนไอเรื่องที่ประรบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อ น, นิพพานัสะสัิกริยายะเอตังกาสาวังคะเอตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทาให้แจ้งเสียงพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทาให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทา ม, มันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาได้ควายตัวเดียวไถทันเดียวนาที่สามสิบสี่สิบไร่เขาทำได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้แต่นาปานนสติกกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันแยกกลุ่มมาแยกกลัดแรกการใดเขาตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายมันซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปาดุสกีเดินไปก็ใช้เท้าไปทางวัดก้าวไปวข้างซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอาาบบนี้เรื่อยๆไป อย่าเวนั่งไม่เวนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌานแนานาปานุสติกรมาฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านไหลเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็าตามฌานก็ดีอุปจาระฌานก็ดี ใจของท่านนั้นหลเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แน บ, นนนแนบสนิทในด้านของกุศลการจะทำการจะพูดการจะคิดขั้งแต่และบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็ยนปราศจากเวรปราศจากภายัยไม่เดือดร้อนได้กิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอร า, าสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนหนล่เอาจริงท่นก้าเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานแล้วก็จะเหรียวว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้ทราบว่าคำสอนข อ, ององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทำให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดอะต่อที่นี้ไปเขามันดาท่านอย่างไยจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัทยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัจยาใยสัยของท่าน